วามีครอบครัวอะไรจะไปอายุยี่สิบสองปีตั้งครอบครัวขึ้นกระทำบุญมาประจำย้อนฉันแม้กระทั่งเป็นเมนรคนละอายุสิบเอ็ดปีครัวกระทำบุญมาจังตระนนักบุญบุญหุ่น จ, จักบุญนี่เป็นจังใดบุญหุจักบุญเห็นบุญแล้วะเข้าใจว่าเจ้าของมีบุญบ่ก็เข้าใจว่าเจ้าของมีบุญอยู่แต่ว่าหากป่าเถื่อเอาบุญเนะจักอยใส่บุญหุ่นจักคลายคลายคือเราไปงมเก็บในานา้ำ โบยเห็นจากเสื้อเข็ด น, นั่นงมงเปยุงตันละ่ะอันทำบุญนี่ก็คือกันโบยเห็นชักเธอเห็นบุญแล้วจะเชื่อว่าเฮามีบุญบ่เฮาโบยเห็นจีว่าเฮามีบอ่อันนี้เป็นข้อคิดของพวกเราที่จะให้ข้อคิดเอาไว้ถ้าของซึ่งใดที่เรายังงมงบกพรนี่เราโบยเห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยมือหรือสัมผัสไม่ได้ด้วยใจนั้นคือว่าซึ่งนั้นเรายังไม่มี ของซึ่งใดที่เราเห็นได้แล้วจับทุกด้วยมือสัมผัสด้วยมือนี้ได้และสัมผัสด้วยใจได้ชือว่าของเหามีอยู่สมมุติเสื้อเ่านุ่งอยู่เดี๋วนี้นี่พอออกไม่ออกในผ้าทรงองค์เลนเา่าเขามีสังขาเจว อ, อยู่เดี๋ยว น, นี้เขามาห้อมมาตุ้มเหายาำหนาวอุ้นถ้ายาำฮอนเขาก็ลงน้ำเย็นชื่อว่าเ่ามีที่พึ่งเป็นว่าอันนี้เป็นคําเก่า เขาตั้งแต่คำพอ่อคำแม่เขาทำคนตั้งแต่สมัยใดบุรู้จักอลไรเนี่ยพอ่อเขาบุรุษจักเลยล้ <c oughs> ลมมีอยู่ในมือเอาไว้สำหรับกลางกั้นกันแดดฝนมาสักนห่มมีอยู่ในมือเขาคันท่าห้างว่าฝนตกมาหีือแดดออกมาเขาบอาไปกลางไปกัน้นบ่มีประโยชน์กับเขาห่มขันบ่มีประโยชน์อ ย, อย่างไรธรรมะก็เหมือนกันมาสักวันธรรมะนี่ไง ถ้าหากบาพวกเราทุกคนนี่แหละบเบาะมาใส่ไม่ได้มีประโยชน์กับธรรมะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจรวรวเป็นคำตั้งแต่เก่ า, เ ก, าเก้าคำพ่อคำแม่เพื่อตับเตือนเอาไว้ล้มมีในมือเอาไว้สำหรับกางกั้นกันแดดฝนธรรมะเราจะเป็นอ่าเอาไว้เพื่อสำหรับสิวิต จ, จิตใจของเราที่กำลังมีทุกข์ ให้มันแก้ปัญหาทุกได้สอันนี้เฮาวบววองกันอันนี้เจ้าบ้านมิติผู้ใด <c oughs> พวกไปศึกษาเล้วเรียนกันนะักทำทีโทเอหรือเป็นมโหสมหาขันได้แล้วก็ไปทุกเที่ยงกันเหตุกินครูกินขายขายขายคือเอาพอเอาแม่เฮานี้ไปทุ่มเถิดในตุมมมัดขันว่ได้ขายเจ้บ่อยเหตุพระเจ้าประสงคกันขันจิตเหตุความจริงให้ฝังปัญาญาตโฉนูรู้จัก ก็เลยโดยอยากเทิดติดไหวบอกสามารถบวกก้าแสดงที่เอาคำจริงของพระเจ้านั้นมาทอดให้เราฟังใดฉะนั้นธรรมะคําสอนของพระเจ้าจึงพูดบอดหรือปิดไว้เราจรึงไม่ได้อมาใส่กันโดยให้ถูกต้องจริงๆจังๆกันอันนี้คือว่าเราบุญธนรมีเราบุญธนรมีเราที่มีอย่างไรก็เราบาปวัแล้วมาศึกษาเราเหลีก นักทำตีโทเอกฝึกออกไปแล้วผู้ลูกผู้หลานทัเ้เบื้องเข้ามาอีซึ่มก็มาศึกษาเล่าเรียนกันอีซึ่มเห็ุคือเก่านนินเมื่อว่ามีผู้ใดสามารถที่จะเอามายืนยันว่าเอาคำสอนของพระเจ้านะเป็นจังสันจังสันห้าหาปฏิบัติจังสันอย่างสันต้องเป็นจังสันจังสันบอกเนี่ยพอบอกคอยได้ยินเรื่องนี้เพิ่งได้ยินขึ้นมาใหม่ๆกระบอกไหมเจ้าเนี่ยพ่อมันยกไก่กันกับเจ้าคุณผุธธ้รทาสนี่ อย่าพ่อเพิ่งได้ยินเสียงเจ้าคุณพุทธาลขึ้นมาระวังเมือเ่ออย่าพ่อมาอยู่ฝาพุทธิยานมาอยู่สองปีแรกบ่ได้ยินปีที่สามเมื่อย่าพ่อได้ไปพบเอาหนังสื่ออ๋หนังสืออันนี้สําคัญแล้วก็เลยเอามาอ่านโอดีแล้วท่านมีผู้ตื่นขึ้นมาแล้วต่อมาหลวงพ่อก็เลยใส่ตามจังหวัดต่างๆเพราะนังสือจากเจ้าขหน้าจังหวัดเลยเนีย่ยเราก็อยากให้ไปทีแรกเนี่ยพ่อซื้ไปยืนเมืองลาวเห็นว่า เมืองลาวนั่นเป็นเมืองที่ขาดความเจริญว่าจังเจ้าของอยากไปเว่าอยู่คุณนงึงเพื่นเลยบอให้ใบสุธิเจ้ า, าคณะไปเสี่ยงคาดนี่บ่นแล้วผมก็บอกให้ใบสุธีบอกให้ไปสุธีโอหลายปีบอให้จนทัาเจ้าคณะจังหวัดเลยนี่ไปอีกตื้มไปสินคงานอย่างพ่อขาตามไปไปขอใบอสุธิบอกให้อีกตืมอ้าวบอให้ใบสุธิผมผมก็ไปทางนั้นทางนี้บูได้เลยครับ ว, ว่าไปยี้ว่าจัเพนวา ถามเพื่กนกได้จ้าณะจังหวัดเลยถ้ามีคนได้จับจังหวัดเลยเนี่ยแล้วก็ต้องผมเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไทยเนี่ยถ้าหงลวงพ่อไปทุกจังหวัดไปใดๆถ้าใครจับแล้วก็ต้องโทรศัพท์มาหาผมผมที่นําไปแท้อันนี้เจ้าคณะจังหวัดเลยวังคันท้าผมไปเมืองลาวได้ครับวะเมืองลาวนี่ก็คัดกลับมาได้คือการทางโทษเขามีว่าท่าน เพรา้ากันผมที่ไปให้ทุตรายงานมาหาหลวงพ่อกะตินทีแล้วครับผมก็ต้องตายตอนนี้เพราเมืตกลงออกใบสุธีให้มื้อ น, นั้น่ะ <c oughs> ทางเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าคณะเพื่อเสียงขานพอดีเพื่อนออกใบสุธีให้แล้วอย่างพ่อก็เลยขอหนุสื่นเดินทางไปตามจังหวัดต่งางๆภาอีสานนี่หลวงพอ่อรู้สึกว่าหลวงพอได้ไปทุกจังหวัดพักใต้หลวงพ่อก็ไปปีนั้นเจ้าคณะจังหวัดเลยนี่บวให้ไปภักเหนือ เพงวัไปพักเหนืองเป็นบอกว่าไม่ต้องไปไปพักอีสานกับพักซ้ายจพอแล้วพักเหนืองไม่ต้องไปก็เลยบัวได้ไปพอดีไปเลาะเลาะเบืง้งตามจังหวัดต่างๆเอ๊อเมืองพุทธศาสนานี้เป็นอย่งที่นอกการทําบุญเป็นไเจตียงพิธีกรรมเท่านั้นเป็นไเจตียงวิธีกรรมถ้าจเว้าเรื่องนี้ไปกับเป็นการยืดยาวไปขอว่ากันในน้อยเพื่อเราจะได้เอามาเว้าวไว้กันฟังทุกมือทุกวัน ต่อมาได้มัได้ได้ฟังคนหนึ่งวาอีกตื่นครูบาอาจารย์ที่เวาให้ฟังเราไปน้ำกันใส่ล้วเนวาพุทธศาธสนานี้พัะเนวาวถ้าหากเราไปติดวิ ธ, ธีกรรมต่างๆนั้นไม่มีเลยที่จะได้เข้าถึงปัจจธรรมพระเนวานะในขณะใดยุคใดถ้าหากพระสงฆ์หรือพุทธบริษัททั้งหลายนั้นติดอยู่กับ พิธีกรรมต่างๆซื่งว่าดีอยู่พุทธศาสนาจึงจะเจริญไปได้เลิกเกษียอย่างหนึ่งมาสิเพื่อว่าตรงกันข้ามเมื่อพระสงฆ์หรือพุทธบริษัทไม่ติดกับพิธีกรรมต่างๆนั้นซื่งว่าสมัยนั้นจะทําให้พุทธศาสนาเจริญได้แต่ว่าจะไม่มั่นคงอยู่นานถ้าหากว่าเอาวิธีกรรมนั้นมาพูกพวงไว้จย่างน้อยเนี่ยพุทธศาสนา อาจจะไม่ดีอยู่นานแก่คดีอยู่อย่างหนึง่งแต่หากคนเ่าได้เข้าใจถึงศจลธรรมพุทธศาสนาจึงจะมืดบอดลงไปว่าไงเอ๊ะอาจารย์นี่ก็เว้าส่งเข้าทา่าเข้าถีก็เลยซึมเข้าไปในใจมาครับซึมเข้าไปในใจมาเพราะนั้นจึงว่าเป็นการขอลอง <c oughs> ที่พวกเรามานี่หลวงพ่อมันต้องการขอรองพระทรงคือการ แมกน่ายมคือกันถ้าพวกเรายังไม่ลุกดืนขึ้นต่อมาต่อสู้เขานี้กับตัวพุทธศาสนานี้อาจจะทูนไปจากเมืองไทยก็ได้หนังสือเล่มเล็กหลวงพอเขียนไว้เมื่อนี่แหละจะเข้ามาอยู่วติแก้วเนี้ยข้อเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเพิ่มทูลขึ้นละพุทธศาสนาจะทูกหมดไปจากเมืองไทยถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาเขานี้เพราะว่ามันมืดบอดไปหลายสิบปี ได้ซองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดปีมานี่แล้วเราไปเสื้อหัวฝั่งเข้าไปกับตำหนาว่าพุทธาศาสนาหมดไปเท่านั้นปีเท่านี้เดือนแล้วพระอนาหรนจะไม่มีหรือผราโซดาภาสกีพระคาพระนาคาจนกระทั่งคนที่จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกนั้นไม่มีเสียเลยอันนี้เอาไว้สักก่อนอย่าเอามาเว่าเรื่องนี้เพราะในหนังสือกรารมาสูตรบอกไว้แล้วว่าแม้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ต้องเสื่อเช่นอันนี้ เป็นปัญหาที่ให้พวกเราคิดเอาไว้แล้วบทต่อมาเนีญยพ่อคุณกับพวกเราที่มาเนี่ยจะเอาชีวิตนี้ถวายเลือกปูสากษพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอาไว้ให้พุทธศาสนาจจเจริญลุ่งเรืองขึ้นมามีแสงสว่างขึ้นมาสู้เมืองไทยอีกเป็นครั้งหนึ่งก็ดีถ้าหากพวกเราทุกคนที่มานี้พระส่งองค์เนและญาติโยกลุกขึ้นขาวนี้เข้าใจว่าพุทธศาสนาคงจ ะ, จะเจริญเข้ามเมืองไทยอีกครั้ง เราจะได้ยินได้ฟังกันไว้อีกเนเพื่อนนึงกับวม น, นี้ตำหนิบัมนี้ยงยองพี่น้องเพื่อนบ้านเฮานี่เป็นยังไงกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่คิดเท่นี้ก็แล้วกันเขาจะนอนใจอยู่บอกเรื่องนี้หลวงพ่อคิดมานานแล้วพอสมควรแต่บางคนก็นยังไปว่าเอ๊พวกนี้เป็นพวกก่กอการร้ายเขาข้าเจ้บอกเข้าใจให้เขาจะเว้าไปเด้ขอขาเจบ้บอกเขาใจให้เขาจะเว้าไปผู้เฮาเข้าใจมีอุดมการย่างเดียวกันแล้วนั่นเอาและ เขาจะได้อยู่ใน้ฟังคําของพระพุทเจ้ากล่าวเอาไว้ให้เขาอยู่เหนือโล ก, ก่นั้นเขาจะขึ้นไปอยู่สันฟ้าคุณบอกลึกขึ้นไปอยู่แต่สลาพุนตีลึกขึ้นไปอยู่ต้นไม้คุนตีไปอยู่เหนือโลกก็ไปอยู่ทังไหนมีบ้านนี้เหงือนอยู่คุณบอกเขาเห็นแล้วบอวเหนือโลกกะใหม่ขบวนายายังไหนเว้ากันมาจนปิดปากก็ไม่เห็นผู้ใดเอามาใส่กันฝานนี้อันนี้เขาต้องศึกษาขึ้นเถินคําคว่าโลกใหม่ถึงอันไหน โลกนั้นหมายถึงสิ่งที่เสียแทงหรือมัดตัวเขาไว้ ม, มันเจ็บปวดรัวร้าวเจ็บให้ว่าโลกหมายถึงความแสบเผ็ดโลกหมายถึงความเจ็บปวดโลกหมายถึงความเดือดร้อนจําไว้มันดีโลกหมายถึงความเจ็บปวดหมายถึงความเดือดร้อนหมายถึงความทุกข์ถ้าหาเขาหยุดเหนื่อสิ่งเหล่านี้ได้เรียกว่าเขาหยู่เหนื่อโลก พ่อแม่พี่น้องผู้เกิดก้อนเนี่ยพอก็มีมาเนี่ยผู้เกิดรุ่นราวข่าวเดียวก็มีผู้รุ่นน้องก็มีผู้รุ่นลูกก็มีบางทีผู้น้อยอาจจะเป็นรุ่นหลานก็ได้เคยได้ยินมาแล้วเขาเอิน้นห้ากินตัด ก, ตกินใสกินไส้กินปอดให้มึงตายหงาตายหาเน้ อ, อยังสันยังศีเพิ่มมามากรอแล้วเขาเคยได้ยินมาแล้วอันนี้แหละโลกกะให้เขาอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เ่เจ้าดีนะเจ้าซัวนะ ให้เขาอยู่เหนือสิ่งอันนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้เขาอยู่เหนือคขมสนเสริญนินทาในหนังสือพาเจ้าพาทรงเอาไปเทสว่าโลกกธรรมแปดมันยุ่กับโลกอันนี้คขมนินทาสนเสริญลาดหยดมันยุ่กับโลกเขาจะไปติดเทกยังกันเขาเป็นสาวพุดจริงๆเนีเขาจะติดบกเพียงแค่นี้หนึ่งกับป้อยให้ข้าเจ้าเราเด็ดแน่แล้วของเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วนะยังจะเป็นหัวซาเด็กน้อยอยู่บอกอันนี้กับบได้ว้าคุณภูนี้ แม้กระทั่งพระสงฆ์เขาเป็นผู้นำในแถบกันยากไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นผู้นำกันได้อย่างไรอย่างสิแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันคือคกันแม้กระทั่งข้าราชการตั่นผู้ใหญ่ก็คือกันแน่เหล่านี้เต็มทีแล้วเมืองพุทธเราเนี่ยบสเสียสละอาภัยให้ผู้น้อยสักน้อยสิ่งเหล่านี้มันบ่สมกับเมืองพุทธจริงๆอันนี้ได้คิดอั่างซึมมาหลายปีดังนั้นเขาเป็นพระสงฆ์ต้องให้อาภัยกับเจ้าบ้างเนี่ยกับ เขาเป็นพ่อเป็นแม่ต้องให้อภัยแก่ลูกแต่น้อยเช่นผู้ปกครองก็คือกันต้องให้อภัยแก่ผู้น้อยผู้ที่อยังไม่รู้จักเราจะทํำยังไงเขาจึงจะรู้จักเราต้องพยายามพูดให้เขาเข้าใจเราว่ายูเหนือผู้น้อยอันนี้การผู้น้อยเราอย่างลูกเต้าเขาวว้ห้เขาก็ะเบิมึงบอจากคูเป็นพ่อมึงบอกมึงบอจากคูเป็นแม่มึงบอกมึงบอจากคูเป็นครูบาอาจารย์มึงตี้นี่เขาเป็นอย่างสั้นวะเขานี่ผิดได้อันนี้ผิดพุทธประสงค์ เขาที่สอนลูกสอนหลานเขาได้อย่างไรอย่างสิแม่ครูบาอาจารย์ก็ที่สอนลูกฝิกลูกหาได้จย่างไรอย่างสิลองคิดดึงในอั น, นี้เฮาบ่สลัดเขาบอ่ออกจากนี่ไปไดมันนี่ผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็มาติดอันนี้อีกตึมแล้วบั น, นี้่งจมไปจมไปเจเลยไ่รู้จักสมมุตดซ้ำถ้าพระเจ้าสอนให้รู้จักสมุติเอาแหละบันยิ่งเอาไปเพงแค่นี้เรื่องนี้แล้วก็ยักขอเตือนอีกทีหนึ <c> ่ <oughs> เพราะเวลาของเขามันไล่กันไป เราจะได้ทำกันเองเ็บมือเท่านั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนาตามอุดมการที่แับผมนี่หลวงพ่อได้คิดคำนวณเอาไว้การศึกษาธรรมะนั้นบทต้องไปนั่งหลับตาและกระบอต้องเข้าไปอยู่ใน ป, ป่าก็ได้นังเสือเล่นเฉียวเียวนั้นหลวงพ่อได้แก้ขไขไว้แล้วแต่สมัยแส่ยูลัดส่วนประทานได้แก้ไขออกมาเมื่อ น, นั้นเพราะบดแก้บดได้ส่วนใหญ่ อันทำกรรมาฐานอันนี้เราเกิดเมื่อทีละตั้งแต่สมัยคืออยู่บ้านหน้าอ้ออยู่บ้านหน้าอ้อมีโยมคนหนึ่งบ้านมั่นหกมาถา ม, มพอก็เลยถามเอ๊ะให้กรรมาฐานเนียอยยังไงต้ก็ต้องนั่งหลับตาภาวนาเอ้าอันท่านไม่ออกด่าพ อ, ออกพอออกใจให้ตั้งใจที่หลับตาเยอนหมดกลับบอได้หลับตาแล้วพอออกใจหายบอท่าน การเห็นข้าเจ้ากระจายหายไป ย, ยี่ให้ตัต้องแรงเข้าในห้องเอาฉันปิดตู้ไว้เอาฉันอ้าวแล้วกันแล้วข้าพออกเขาไปนั่งยในห้องพ่อออกยี่ให้อย่างใดไม่ได้เห็นอย่าง น, นอ้าวนั่นก็นผิดพุทธประสงค์เนี่ยผิดแล้วก็ได้คิดเอ๊ะตั้งแต่มือนั้นมาจนกระทั่งแบบนี้อัานนั้นจีว่าวิธีกรรมาฐานแบบพวกที่เราทุกคนมาเนี่ยต้องมีอุดมการ์อย่างเดียวกันเราที่มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ลนะ่ะส่วนหนึ่งส่วนนึ่งก็ว่เอาไปแล้ว ลราไปแล้วเป็นปอบๆมาเนาี่ยเขาซื้อได้แก้บัด น, นี้ก็ซื้อมาแก้เรื่องนี้น้ำมาทานเขได้หมายถึงการนั่งหลับตาข้าหฮะเขาคนไทยทุกคนไปนั่งหลับตาอยู่แล้วเอาเมืองไทยคิดเป็นยังไบงบัดนี้ผมรับรองว่าเมืองไทยนี่คงจะอยู่ไปไม่ได้ต้องจกไปเป็นขี้ข้าเขาจริงๆเพราะคนโง่เนี่นั่งหลับตาอยู่งจีเพคยังไงได้ได้อีทเข้ากับบมีอีกินเงือนกับบุญเหรียใสมีทรัพย์สมบัติอัะไรค า, าเอาไปเกินมด เขาที่เห็นหมอโบเห็นอันนี้เราส่วนใหญ่ถ้าเราส่วนน้อยบัดเนี่ยถ้าเขานั่งหลับตาอยู่สักคราบเรื่องงูอันนั้ก็ตามละมันย่างเข้ามาตรงหน้าเขาเขาที่เห็นมันหมอโบเห็นอันนี้มันตำเขาจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไหนมาทูกเขาจริงๆมันต้องกัดกัดเขาเป็นอย่างไหนเขาเจ็บเจ็บเพราะอย่างเจ็บเพราะเขานั่งหลับตาคือว่าขมงโง่ที่สุดอันเนี่ยอันนี้หลวงพอโง่มาแล้วตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีมา โง่มาแล้วจึงได้เอามาเว้าสู้กันสั่งขันไปยืนในถ้ำบ่เนี่ยเอ้าไปยืไในทํนานั่งอยู่ในถ้ำมึงรูกทีนั่งอยู่ท่นานตลอดปีตลอดชาติบอ่อจาเป็นต้องลุกขันลุกไปให้ยังไงต้องหาไปมาใต้ไม่หาไปมาใต้ที่ให้จังไงบ่เนี่ยยางไปตกบอตก่อตกเหวตายซ้าทั้งหมตายก็ต้องเจ็บเป็นยังเป็นข้อโ ง, งอเอาไปยืนให้ยังทํามันมืดถ้าพระพุทธเจ้าบม่ได้สอนแบบนี้ เฮานี่ขบปัญหาของพระเจ้าไม่ได้นี่มเป็นอัไนการ น, นั่งหลับตานั่นอ่ะมันโบเมนแนวหมา่ถึงคนโง่คนโบมีสติปัญญาหลับหูหลับตาอยู่ฮั้นโบตื่นจากเพื่อนว่าจัางนั้นเพื่อนปุกเฮาด้วยให้เฮาลกุกให้เฮาตื่นขึ้นมาดี๋ ว, ว่าเฮานั่งหลับตาย่าหลับตาอยู่หัน้นย่านอนอยู่หัน้นอันนี้มหาสุขมก็เวาวอย่าพราะว่าโบเต็นอย่าพอาโ บ, าาบาได้เรียนลุกขึ้นมาถึงเวลานั้นนั้นคนบอก เขาก็ยังโบเสื่อหัวฝังเข้าไปในตำราทุกมือทุกวันแไปยืนไหนท่านก็หมายถึงขวามืดซื้อนี่นะควมโง่เงาเขานี่ซื้อนี่นะตาหน้าก็หมายถึงควมพกควมยุ่งยากที่เขาติดอยู่กับวัตถุนี่ซื้อนี่นะฉะนั้นการเจริญแบบนี้ให้รู้จักสมมุติทันทีเมื่อบทังเข้าใจกต่ยังพอว่าให้สั่ให้เขาพลิกมือขึ้นขวามือลงยกมือไปเอามีมาเดินหน้าถอยหลัง มันจะเกิดปัญญาสนิทหนึ่งขึ้นมาให้รู้จักตัวเรานี่แหละไ่รู้จักผู้อื่นให้รู้จักลูกน้าําท่านลูกได้แกลางกายน้ำได้แก่จิตใจลูกทำอย่างลูกทํากระโตเฮานี่แหละเป็นลูกทำน้ําทํากระใหม่ถึงจิตใจเขาเนาะน้ำทำเข้ามันนี่รถบาดเดียบบ่ต้องไปทางอื่นให้มันมากเกินไปพระไตรปิฎกเอาไวส้สกอนมันที่เราเรียนนั่นนะความจริงมันเนี่อันนี้ที่ไม่รู้จักอย่างนี้โอ้ซิ่งอื่นๆน่ะรู้จักขึ้นมารถ นั้นเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเด้เขาจะรู้จักขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นปัญหาที่จะแก้ทุกหลอกเป็นปัญหาที่แก้ทุกหลอกโอ้คุณว่าลูกทำนามทำนั้นไม่นนได้โตคนในเน่ทำมาธรรมนะนั่นคือคนทุกคนอันนี้ก็ได้ว่ากันแย่าเมื่อกี้นี่แหะเมื่อเขาไปด่าลูก น, นัน้นลูกนี้เขาด่าไผก็ด่าธรรมะเลยในบัญญั้ิด่าพระพุทธเจ้าเลยในบัญญัตแล้วเขาเมีบุญยังไหนบัญญัต ขันดาอันนี้ว่ากัน น, น้อยๆเนี่ยในวงสังคมของพวกเราสมมุติเนี่ยพ่อด้าเนี่พ่อนี่หมักหมาอางนแล้วใครเป็นหมาลองว่าบังลุกเนียพ่อบอ่ได้เป็นหมาไดา้อนี่ยพ่อซีไ่ได้เป็นหมาหพูดด่าไมได้เป็นหมาเหตุใดว่าเนี่ยพ่อพูดด่าเป็นหมากันเนียพ่อบังเนีาพ่อนี่บ่เห็นว่าเป็นคนแล้วเนี่ยเห็นว่าเนี่ยพ่อได้เป็นหมาเนี่ยถ้าเป็นหมาจริงบ้า น, นี้เนี่เขาบบได้เข้าใจคําสอนสิ่งที่เขาเล่ากันอยู่ทุกมือทุกวันเขาบอเข้าใจเนี่ยปัญหามันนั้นอย โอ้มันเป็นยางไงซไถอันผู้วามานนะีย่ยญาพ่อได้วาวญาพ่อให้ได้วาวญาพ่อหน้เป็นหมาแล้วเป็นคนในเทเพราะญาพ่อเกิดโมหะโมหะาขาวานไม่เยาบข า, าหลงมืนบอกโทสะขาวานไม่หยาบมันใจหายว่า่มันมืดว่าแต่แน่เขาบงบวเห็นเนะี่เนี่ยอันเพิ่เอิญโมหะเห็นยูตตานี่ใจคุณเหมืนบอกที่ว่าใจมันอยู่ในธรรมใจมันมืดใจมันยาวาว้าวังสน่าแตเป็นวานเขาก็บอกกันอยู่เย เรือ่อยมาบอกลูกบอกหลานบอกอ้าบอก น, อออก น, น้องเขาว่าญาติหายแหลมเนินน้องเขาเฮ็ดจังเลยแล้วเขาอย่าบอสเสาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ บ, บอกว่าลูกหลานอญาใิหายแล้วอดเอาแล้วอย่าบอสเสาเป็นอยัางอ้ามันเล่าซื่อซืออ้นเป็นอย่าปากมันติดกันมาเรื่อยๆกันยังดีอยู่แล้วพระเจ้าพระสงฆ์ก็คือกันเนี่ยในวงสังคมของพวกเขาเขาจีให้จังได้บนี้ที่เขามาอบรมนี่มาฝุกกันเรื่องนี้เด้มาฝุกกับเรื่องนี้กกน เ, นเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ลุ ก, กนมาต่อตัวจริงๆแฮ็ดนี่ทีใดยังจะเข้าไประงับอันนี้ได้รับรอง้อยถึงลอยว่าแฮงได้บันเรลอยถึงลอยแต้าอนนั้นรับรองเพี่ยง60เปอร์เซนต70เปอร์เซนตย่างมากที่สุดเนี่ยพอรับรองเสี่ยง80เปอร์เซ็นตว้าบนอื่นเนี่ยพอรับรองมไม่เมื่อนีเกิดรับรอง1อยเปอร์เซ็นื่องย่างว่ารับรอง 100% เซ็นเพราะเนี่ยพอเป็นคนเมืองเลยเกิดอยู่ว้นานหมผมนี่นะเนี่ ย, ยพอเป็นคนเปอร์คซ็นาเป็นคนจังหัดเลยที่มาปุกคนจังหวัดเลยนี่นะ ยิ่งว่านับรองร้อยเปรเซ็นนี่ยไม่ผิดเลยแต่ทางอื่นอย่าพอกับว่ได้สามารถที่จะไปยืนยันอย่างตานานาเซียงเพราะคนนึงเลยเอาจังติดต้องวาวกันแหงๆอย่างที่เจ้าคุณปัญญาวานั้นเนี่ยถ้าตีเล็กออกก้อนเนื้อใหญ่ๆหนักๆแต่ทับมันยังคิดหลวงตีโจ๊ตีเสี่ยมตีมีตีพาหรือตีคนวนมึงกระเทือน ส, สันหลังมึง ตีหน้า อ, อกที่กระเทือนสันหนังเพาะท่านว่าอันท่าตีสันหลังมันกระเทือนหน้า อ, อกอันนี้ก็คือกันถ้าหาบัววาจังซีมันก็เลยที่นอนจมอยู่ฉะนั้นจึงว่าเอา้าทุกคนเนี่ยก็ลับรองได้ในตำรับตำลานั้นบอกว่าถ้าผู้ที่จะเลินสตรีปทานซีย่างผู้ต้องติดต่อกันย่างนานที่สุดไม่เกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวัน ถึงสิบห้าวัดมีอนิสงส์ยู่สองประกาศนจะนึ่งเป็นพระรหันต์สงเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันนี้มีในหนังสือนักธรรมเอกเรียกว่าธรรมบิจารเนี่ยพอได้อ่านเองมาอ่านเมื่ออยู่วัดหนองแวงเนี่ยพอมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนพระครูมงคลว่าท่านเนี่ยพอหัสร้างเอิพระครูมงคลเนี่ยเนี่ยพอวสร้างเอิญเนี่ยพอเอิ่เจรอาจารย์เนเนีเพื่อนมาอยู่เนี่ยเนี่ยพ่อหมากอน มาอยู่วัดหนองแวศนี่ข้าเจ้าคณะจังหัดนี่ให้มาอยู่วัดหนองแรศน์ก่อนแต่นในั้นวัดหนองเรศน์บุปผาต่นเลยให้มาอยู่นี่พอดีเพิออาา่งในจันท์เหตุนี้ขึ้นมาคนนี้มาก็เลยแย่ยุ่งยุ่งกันหลายคนในคนุ่ที่กลับบ้านก็เลยไปอยู่ภาพุทยาที่สุดเรื่องนี้เนี่ยพอก้ายืนยันได้ว่าพวกเราทุกคนมานี่ยหากผู้ใดยังสงสัยอยู่หรือว่าหมดสงสัยแล้วถ้าหากยังมีคลุ่มสงสัยอยู่รับรองว่า เก้าสิบวันจะเริญสติปฐานซีแบบนี้แอ่เป็นคนพูดจริงนะบ่เป็นพูดตั้งแต่ปากทำก็จริงนะทุกจักลดน้อยไปควมโกดข่มโลกค่มลงถ้าหากมีอยู่ในเฮาร้อยเปอเ็นอย่างน้อยที่สุดจะออกไปได้สี่สิบเปเ็นยังเหลืออยู่หกสิบเปเ็นเขาเป็นยังันเนี่ยอันนั้นแหละคุว่ามนุษย์ใจสูง เป็นสาวผูดจริงจริงเหวินหวาน <c oughs> ยกระดับจิตของเขาออกจากสิ่งที่ตําสิ่งที่มันเป็นทําเหวานหวานนั่นแหละมันมืดนั่นแหละออกแล้วออกจากทําผอมืดมาแล้วมาอยู่ที่แจ้งมาอยู่ที่สว่างมาสูวบนสบายให้มาจะไปใสใส่มาใส่โบสดุนจึงจะรู้จักส ม, มุิอย่างถัวเถิดโดยที่ไม่เก้อเขิน เมื่อเรารู้จักสมมติจริงๆแล้วเขาอยู่นใส่บสบายสบายซื่อว่าเขาเป็นสาวพุทธจริงๆได้จดซื่อจดเสียงเป็นคนไทยจริงๆโบมินมาซื่อว่าเป็นคนลาวเป็นคนตัง้งซาร์มาเสียค่ะอันนั้นอันนี้เราจึงจะได้เป็นคนไทยโบแมนอ่างนั้นอันนั้นก็แมนอยู่ในกฎหมายอันนั้นอันนี้ก็คือกันสาวคุทเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะเมืองพุทธแท้เนี่นะเมืองไทยนี่นะ ที่ว่าให้พอออกไม่ออกฟังลักขุมาอาจารย์ฟังแล้วเนี่ย70เปอร์เซ็นคือพุทธศาสนาเดียวนี้นี่เป็นแต่เพียงสมโนหัวเท่านั้นเป็นแต่เพียงลิบปีปากเท่านั้นตามญาพ่อไปตามจังหวัดต่างๆมีน้อยที่สุดคู่ที่เข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยพวกเรามาเนี่ยพระทงองคเณรญาติโยมันรู้สึกว่าไม่มากกว่าน้ อ, นอยที่มีศรัทธาและมีอุดมการอย่างสิเป็นอุดมการณ์อันเดียวกันพวกเราต้องพยายามช่วยกันทํา ช่วงระยะเจ็ดวันเนี่ยถ้าหากหลวงพอ่อพระเวา้ากับพระองค์สื้อที่ได้เว้าให้ฟังถ้าหากบุญไถ่เวา้าหลวงพ่อมาไวา้สังก็ได้หลวงพ่อที่ทําอย่างนี้จนมือหมิดลมหายใจเนีย่ยพ่อได้ยินอย่างสิก่อนสิวันเนี่ยพ่อมั่นใจเอาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระอาจารย์สอนพระสาวกของคุณได้ขึ้นมาเนื่องจากองค์พุนเนี่ยพ่อกับบุ้จักในที่ห้าองค์นี้ว่าได้สําเร็จเป็นพระอาจารย์เนาะท่านไปทางนั้นนะ นั่นไปทางนั้นนะอย่าไปนำการสองคนนะให้ไปบนละคนนะอันนี้มีความหมายอย่างไรเพราะมันทุบบอดในสมัยนั้นกนมนะ็มีอยู่แล้วพระสงฆะมีอยู่แล้วมันทุบบอดที่ว่าบอให้ไปนากันให้กระจายกันไปว้าบบนฮ้นเราบนนี้เลยมั่นใจไว้ตั้งแต่มือนั้นมาพอคิดอันนี้เมื่อเนี่ยพอเข้าใจนั่งอยู่นี่เนี่ยเลือกกระดุดใจน้ําตาตกออกมาพระทพุทธเจ้าเนี่เป็นคนห่วงใหญ่ กับมนุษย์มากที่สุดแม่ผู้เดียวสามารถชิลูในประเทศอินเดียให้หมดมังกรมอดไปบมดได้ฉะนั้นพวกเราที่มาเนี่ยจานวนเป็นร้อยๆแล้วเนี่ยเขาซึ่งบอเอาได้บอกเช็คจังหมเลยเขาท่านี้หนึ่งอะจังบมเลยเนี่ยบุคคลกว่าสิบอาเภอสํานะถ้าหากพวกเราทุกคนความใจกันแลยเนี่ยพ่อเข้าใจวัดบุคคลีทังเลยมึงเลยนี่ทังเลยบนอื่นที่ไปว่าบุได้ได้พอออกมันออกกูบาจัดทุกองคเนี่ยพอไปกระจกมาได้เลย จังหวัดเลยเนี่ยข้ารับรองได้เต็มปากทีเดียวเนีย่ยพอจีนโบราณถูกติดไปเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเจ้าคณะจังหวัดเลยกับเจ้าคณะอำเภอสิบามคนที่ตายแล้วนะ่ะยืนยันรับรองเนี่ยขู่ฆ่าข้ากันได้หมอกันมาอย่างสิเดี๋ยวเอาหมอกไปเถอะเขาทีบเอาไงครับผมเองจังหวัดเลยเนี่ยจันทร์วออาอันนี้เพิ่งเอามาสแสดงให้พระองค์มีออกฟังและพระสงอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยฟังทุงนเ น, เนี่ยมาแสดงมือนีอเนี้ยแต่ยังพอบเว้าแต่ขอนว้าวาได้าวาได้ให้หนังผู้เดียว ว่าจําเป็นมือนีิก็ต้องรอเป็นก่อเพราะมันเห็นมุนมิคาอ อ, อ, อ, อ, ออกอุบาอาจารย์ทุกองค์นี้ต้องออกบอกว่าวาโบรามันต้องมั่นใจอย่างสิ่งนั้นทีวิตเนี่ยจะทางไปมุนิก็ตานเนี่ยเพราะว่าทุกคนมานี่ก็ต้องมีอุดมการณ์อย่างนี้ที่มาลื้อฟื้นเอาคําสอนของพระเจ้าคืนมาสู้โลกอีกสทีนึงอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจอย่างลำบากลำลานั้นปีนความคิดใหม่ทิศความคิดใหม่ พระพุทธเจ้าคือคนทุกคนที่อยู่เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้หมดทุกคนอย่าไปรอพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงอันไห น, นหมายถึงตัวสติปัญญาเขาเว้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยพุธทธแปลผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะก็คือกันพุท ธ, ธะกับแปลผู้ลูกคือกันอันตัวเจ้าสายสิทธะกุ ม, มารนั้นโมแมนอันนั้นเป็นรูปคนซื่อ อ, อันนั้น ให้เขาเข้าใจเมื่อสมัยพระวรกลิศไปยุ่กับพระพุทธเจ้าจึงบ่เห็นพระพุทธเจ้าเราไปเห็นแต่ลูปแต่สงสื้ออันเขาถือศาสนาพุทธนี่ก็ไปถืออตั้งแต่วัดวาอารามโบสถ์วิหารนั่นซื้อซื อ, ซอมันก็เลยคึก อ, อันนี้ดึงไปดึงไปมิตรการก่อร่างสร้างตัวกันไปเลยเราได้มาศึกษาที่จิตที่ใจของเขายักเถือ่อนยิ่งว่ามาเห็ดจังหวะอันนี้ผิดปองอะไรไป ให้พลิกมือขึ้นคัว้วมือลงยกมือไปให้มีสติสามลูทุกขณะแม่ทิพตากับให้รู้หายใจก็ให้รู้คิดก็ให้รู้เมื่อรูค้คิดนี่แหละมันจะปรากฏถังขึ้นมาจริงๆริับรองจริงๆเฮาได้ยินพระพุทธเจ้าตัดสรูบําเพ็ญทางจิตเขาเว้ากันอยู่วิธีบําเพ็ญทางจิตนั้นเห็ุอย่างไดรบ่เอามาสอนกันจากเถื่อวิธีที่ว่าไงไงเนี่ย ไปให้ไปมาขุดดินฟันไม้เขียดหนังสือก็าตามให้เบิงใจเขาให้มาหมากมันคิดวูบขึ้นมาให้รู้โลทันทีย่าเอาคิดตัวกระต้างคิดมีกระตามย่าเอาเมื่อเอาสติมามองอยู่ที่นี่มันหลอดคิดขึ้นมาเราจะเห็นทันทีเมื่อเรามองอยู่ที่นี้ขุดอ่นมาด้าไปนู้นไอหมาอ้าวอีตานั้นเป็นหมาเด้อเราทีเห็นทันทีเราเห็นหมาขึ้นมาลงไปตัวบุษชัเป็นหมาอันนี้เขาเว่าวเสื้อเสื้อสมุดเด้บมได้อีตานั้นเรา เกิดน้ำนี่อย่างหูน้ำต้มน้ำโคนไปฟอกหัวเราแล้วเนี่เป็นหมาเด้โอ้ยตาเ น, นี่ยเป็นหมาอโอ้ยน่าสงสารเจ้าเด้เจ้าก็เป็นคนแท้ๆลูกลางหน้าตาเป็นคนเมตใจเจ้าเป็นหมาเจ้าระบูฮู้จักเนาะเราจะได้มีเมตตาขึ้นมาอย่างทีทันทีเราจะได้มีโกุศขึ้นมาทันทีนี่แหละท่าพุทธเจ้าสอนมาเด็กเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นการทําบุญนั้นเอาระเบูฮู้จักเอาเอาเต็มเงินไปทานอันนี้แหละเพิ่ว่าการถานทํายอดสนะิ า, านทางปู หนึ่งเราให้ฝังซองผู้อื่นดาได้เห็นโลนโอ้ยเราเบิ่งบบเห็นธรรมะบมาในตัวนี่นก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะยุ่เราบอกออกมาใส่อันนี้ก็บอกในน้อยอั น, นในตำล่าเพื่นเรียว่าคนโกธรคนอันถาผานชอบพูดคำหยาบคายเขาถือว่าเอาคำหยาบคายคำสกปรกนั่นแหละเป็นคำสนะตัวเขาพระพุ่ธเจ้าบอได้ว่าจยางนั้นไหมเขาได้ยินว่าว่า บันฑิตผู้รู้นะพี่ว่ามีผู้โกธ เ, เขาบอกโกธต่อคือความอดกันเอาอัสนะของอดได้น่ะผลเอิ น, นเอาอสนะตัวเราเอาอสนะผลอื่นลอยทีไม่มีประโยชน์เท่าเอัสนะตนทีเดียวเขาได้ยินงยุอันนี้ก็ได้นเขายังเอามาใส่เป็นอย่างมันที่ตายบออันนี้ก็เว้าวคำแหงให้เขาออกไม่ออกร <c oughs> อกให้ตูบาอาจารย์ทุกคนนี่แหละรอไว้ผมเด็ดเลยมันเป็นอย่างบอกมาใส่ยันตายนี่ตายกค่มันตายปุ๊บหลุไปเบื้งเป็นอย่า ง, <c oughs> งปเปง <c oughs> ขาอดทนให้โบได้บอ มันอดบอดได้อดบอไดพ้พรอะอยังงนี้พเพราะ่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะเพราะเข า, าเป็นสาวพุทธนี่นะมันเป็นอย่างซีเลยฉะนั้นพุกคนที่มานี่อุดมการณอย่างเดียวกันเขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงจริงฉะนั้นที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นผู้นําประเทศชาติกัน ต้องเสียสละเอาใจให้ผู้น้อยยึ่งจะเป็นผู้นำใดถ้าเหาบ่อยอมเสียสละเอาใจผู้หน่อยชื่อว่าเหาเป็นผู้นำยั ง, งโง่เงาเต่าตูจะนำเข่าไปข้อศีลใดๆันก็พังกันขึ้นไปทันทีที่พระพุทธเจ้าสอนจังศีเลเนียเข้าใจจังศีลพระเงาโผ่เาโ เ, เข้าใจยังศีลจิโมโอ้ไผจีว่รเสียก็ญญาของเขาแล้วเขาผู้รูจกก้จักเขาจีเอาตัวเจ้าของนี่ไปเทประแดกกินบ่คันตายแล้วทั้งเบื่อจะกินโอ้ตายแล้วก็แล้วซื่ อ, อเนี่ยศึกษาให้รู้จกักสมมุติจริงๆ ให้เอาจิตดูจิตให้เอาสติดูจิตวิธิ์พระพุทธเจ้าสอนว่าการบําเพ็ญทางจิตพระพุทธเจ้า ต, ตรัสลูกบาเพ็ญทางจิตแล้วเขาก็ไปนั่งหลับตาอยู่พุทโธพุทโธเมื่อกี้บมาบัดทางจิตตายยังได้พุทโธ่นี่ยพ่อเฮ็นตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีพุทโธนะเพื่อนวะพุทโธกูนั้นหลงงมงายไปอยู่ขนาดนั้นนะอ้อว่า่งเพิ่งข่วงโซเพิ่นคุณนะ่ะแต่อดเขาอดน้าเกลือบตายแล้ว กูเกือบตายในสมัยนั้นเนาะกันกูตายแต่แล้วกูกับบได้หัวจังซีมาจังสันซื้อเพืเ่อนว่าเอาจะไปเอามาเวอาคุ้ทุกคุ้ยทุกอีสิ่ง้ามันก็แล้วกันเอาไปลงเฮ็ดกับคนลงตายเอาไปเฮ็ดกับคนลงตายลงตาย ย, ายังไงเจ้าพระพุทธเจ้าลงตายในสมัยนั้นบัวจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่คนซอกหาดทางบงุหัวจักทางลงตายคายคายคือเขาไปงมเข็มอยู่ในกลางทะเลนย่ งมไป้ายอ่าสนับเพื่อจริงว่าบวกเกินเจ็ดปีถ้าเอาจริงเอาจัง่ะเขินเฮ็ดมาแล้วหกปีเขินเฮ็ดมาแล้วหกปีเพข้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระราชนิพนธ์เฮานี้เหมือนอันนี้เฮามีตำราอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แล้วเพราคนศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกก็มีอยู่มากมายแล้วเฮาที่ไปเฮ็ดพอเจ็ดปีเฮ็ดยังเอาเพียงเก้าสิบวันนี้เฮาที่เฮ็ดโบได้บอก เกิดมาแล้วอายุก็เก้าปีสิปียี่สิบปีสาสิบปีี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีก็มีเราหยังจีแบกใจผทุกอย่นี่บอกเาเบูซีได้คสอนของพระเจ้าบอกเขาเบเหตุําเพนได้บอกเพียงเก้าสิวันเนี่ยตายก็ให้มันตายบนเปลยังให้ให้ให้นาแตเให้มาพอเล็วเด้อนัูบอาจารย์กระร้างวัดร้างวากระร้างมาพอแล้วเด้ศึกษาเล้วเรียนก็ศึกษาลเรียนมาพอเล็วเด้อส่วนเก้าสิบวันนี้ที่เหตุบได้ที่กันเหตบุได้ก็ตายสะธทนั้นนะบุรีเป็นยังนะ มันก็นมเออีเนั้นแหละที่พวกเฮาเนี่ยมันเป็นหยัา ง, งนั้นนะครับที่เฮาให้ฟังนี่กับเป็นการปลุกกันกับแมนเน็กเป็นการยุกกันกับแมนแล้วเฮาที่เฮาตังไหนอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่นอนอยู่นี่พวกเฮาเนี่ยอันนี้กับวาให้พระสง่งฆ์ตะกอนเกินมากอั น, นี้เฮาเนี่ยเป็นทหารแวนวะหน้าเฮาเป็นพี่อ้พี่สายของแม่ออกพ่อออกพ่ออแม่ออกเป็นแนวหลังเป็นผู้ให้สเสบียงอาหารเฮาเฮาเป็นผู้แบกปืนเข้าไปก่อนมีอุปสรรคมาต้องืนก่อนเฮา ฉะนนเขาเนี่ยเป็นแนวหน้าภาพทรงองค์ในเขาเนี่ยลุกขึ้นตะกอนไม่ออกอ่อนขาเจ้าขิบคอยย่างตามหลังเขาไปขาเจ้าให้กำลังเขาให้อย่างเด่นให้เขากินโดยบุได้ซื้อให้ผ้าจีวรอผ้าสมองโดยบุได้ซื้อกลางที่ได้ซื้อเนาะกระบวากับได้ซื้อก็ะดับางองค์ก็ได้ซื้อเงียบพอก็เห็นดูบางองค์กระบุได้ซื้อดอกเาียบพอบวชมานี่บุได้ซื้อจักเถื่อนเงียพอมิจอาให้หมูนั่นแล้วอง่ยพอโบกกระได้ซื้อจักเถื่อ เป็นอย่างนยกกันไปว้าวที่ ไ, ม ain, ไ, ปไปหมลาะเพราแป๊ะมีคนสัง่งเนี่ยพอหากเอาพาให้รถให้อะไรนู้ง่ะพู้เดื่อไปกินนุ่งร้อนยังไงก็ให้มูนุ่งนำแดดมาที่ว่าอย่างไรคุณเป็นอะไรยาตัวยานตายบมอยานตายแล้วอันตายแล้วผมตายแล้วผมเว้ามาอยูนเนี่ยผมตายแล้วบตตายดอกอาจารย์ว้วาซื้อนี่แหละอจะาจารยว้าวซื้อนไปยังยุคกัคุณ ด, ววมมดีแล้ว่ะเขาบ่ได้เสียค่าน้ํามันรถแล้วเไ่ได้เสียค่าเครื่องโฆษณาอีกด้วยเขาจาเว้าวให้เหา อ้าวพ่าวางไปอ๋อข้าเจ้าตำหนีข้าเจ้าโฆษณาซ้อยเฮาลยวคนพวกเด็กเนี่ยอ้ามันเป็นจังไรที่อยากไปดูหน้าดูตาเนี่ยพวกข้าเจ้าบอเคยเห็นกันมีเด๊แนวคนเห็นแล้วโอ้ยพอปา น, นนั้นเนี่ยเราก็ไปว่าบนหน้าพอป่านนั้นผู้บ่เคห็นเขาอยากไปเบิ่งอีกทีอันนี้กะเวาขวมเตียบเตียบให้ฟังสมมุติสมมุติเนื้อภาผมผ้าหยางต้นเกิดขึ้นผ้าสีออกสีอ่านยื้ใส่หุ่เนี่ยเฮาบ่เคยได้เห็นเขาอยากไปเบิ่งเหมือนความจริงแล้วมันพอปานนั่นแหละให้เขาศึกษาโตเขาเบิ่่งตเเานีย อันนี้แหละภาษีอรีไม่ใส่มันอยู่ที่ตรงนี้ภาษีอ่านมาอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาวากันแล้วอย่างพอกวายของเรื่องกลับเรื่องกันเอาไว้สกก้อนกลับหนึงนั่นหมายถึงให้เขามีสติอันกลับใหญ่ๆหนึ่งก็เอินปีหนึ่งกลับน้อยลงมาก็เอิญเดือนหนึ่งกลับน้อยลงมาเดี๋ยนี้มันเอิญมือหนึ่งกลับน้อยลงมาไอ้นี่ชั่วโมงหนึ่งกลับน้อยลงมาไอ้ตืนเนี่ยนาทีนี้มันเป็นสั้นให้เขามีสติอยู่ทุกลมหายใจกันเป็นวันเอินเต็ม เอ็นเต็มเท่หั่นแหละบ่มีเรื่องอย่างดอกควาเก้าสิ่งเหล่านี้เขาบ่ได้เอามาขบมาคิดจ้าเขื่อเมื่อเขามาศึกษาคำสอนของพรจะพุทธเจ้าจริงๆแล้วเอาเก้าสิบวันเขาที่เต็มเปียกประเดี๋ยวบางคนบางคนก็ะชิบเป็นลุงเป็นบอ่ออยู่เล็กๆน้อยๆถ้าเขาสามปีแล้วบ้านเนี่ยพอว่าคือที่เต็มอือยากว่าทุกคนทุนถ้าศึกษากนถึงสามปีบ่เขาเจดปีดอกเรื่องนี้อ่ะเนี่ยพอสี่เอาชีวิตนี่แหละ ไ ป, ปูุชาพระพรทธเจ้าเป็นเดิมพันเอาไว้กับพวกเราฉะนั้นจึงว่าจยากเป็นการขอลองให้พวกเราทุกคนตื่นขึ้นมาลุกยืนสู้กันสมัยนี้ลองเบิ้งพุทธศาสนาคำสอนของพรจะพทธเจ้าจึงจะเจริญออกมาเนือธรรมแสงสว่างให้แก่คืนลกนี้ขึ้นมาได้ถ้าห้าพวกเราที่นอนอยู่เนี่ยบม่มีทางเนืบนอไ่มีทางเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากขอลองผ่าต่งเขานี่แหละเขาเป็นแนวหน้าฝึกไว้ตื่นเขามีขอมา พอจากไม่ออกพออเนี่ยลูกกระสูดมันนะโบอุดดอกสมมุติเซื้ออันนี้ก็ได้ถ้าไม่ออกบ อ, อกพอออกบ อ, อกให้ถึงเขาแล้วก็เอาไปโบได้ได้พวกมูอผมก็ได้พวกหมูอเจ้าหัวไอจัวอยู่นีไบไับได้ไม่ออกพอออกเอาเรื่องทำบุญนั้งกับเว้าวามื้อเนี่ยมื้อน้านอย่างเรากันไปพ่ออาเบรากันเราอยู่นี่กับเฮงเติบแล้วเพราะว่าเขาจะีด้ไปทำการทำงานตั้งอกตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะอย่ากเห็นแก่หลับแกนอนอย่ากเห็นแกชน เกียจขมขานเราต้องพยายามฝึกขัดยกระดับจิตใจเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เขาเป็นคนขยันขันแขน็งอย่าไปเสื้อไปฟังข้าเจ้ามาเกินไปอย่างนี้พอว้าอยู่นี่ก็มาเกินไปอย่าไปเสื้อเอานน้อยอย่าไปนั่งหลับตาอย่าไปอยู่ป่าอย่าไปอยู่ถ้ำไปนั่งหลับตานั้นมันสิยบเหิดมีหนังไปอยู่ป่านั่นนุ่งกับไปอยู่ถ้ำมันมืดมันสกิเจ็บมันเป็นอันตรายเขาต้องอยุบวัตเป็นแปนนี่ละ ยู้นำลูกนําลานฮัลละพระเจ้าพระสงฆ์ขยู้นําบ้านนี่ละพอเฮากิขานข้าวนาพอออกไม่ออกพยายามศึกษาและปฏิบัติตัวเฮาให้เฮาเข้าใจอย่างซาบซึ้งถึงจิตใจแล้วไปบอกใพระเจ้าฟังพระเจ้ากะจีรู้จักทันทีคนนะั้มันต้องนอนตื่นได้ทิมันไมไปอยู่ในถ้ำมันมัมันดได้อย่างไรมันไม่ไปหลับหูหลับตาอยู่น น, นี่พระพุทธเจ้า <S <S ปุกคน <S <S ปุกจังสีเมื่อไงทีไปจุดจงังสีโบเมีนนี่อันนั้นมันปุกคนนอนหลับแค่แค่อันนั้นอันนี้ปุกคนยัง เม่อหลับอยนี่นให้ตื้นขึ้นมาอย่าไปหลับตาอยู่หันวัสดสันติสนนะแล้วเขาก็คิดได้สิเ น, นี่ยบ่โอ้โหนี่หลับตาเด้แต่ชีกูนอนหลับเด้ดเนียเขาก็รู้จักอันนี้เนีอย่างที่เราให้สั่งมือนี้เนี่ยสมมุติสุนี่นะอ้าวเขาเข้จักว่าสมมุติเด่นอันตัวจริงเนี่ยยกกับตัวคนมีแล้วเนี่ยเขายังรู้จักบันนี้พอออกไม่ออกที่มานี่กะทีอดได้เลยบ่ มันคำวานหน้ากูขึ้นมาโอ้อีตานั่นก็เป็นหมาเด้โอโทษหน้าตาลู่รลางทางสีเลเราเป็นคนเนบัดดี๋ยว่าจิตใจเราเป็นหมาเด้แน่แน่แน่เนี่ยโอปะปะสิกะเกิดขึ้นแล้วบัญญัติุด ข, ขึ้นมาเป็นเทวดาทันทีเป็นสัตวนรกทันทีเนี่ยเขาที่เห็นเข้าไปหาตำหนักตำราเธอได้เงี้ยบ่มีนวัติบ่บมีในตำหนักตาลาเขาไปซอกหาเทวดาเกิดอยู่สัสเหติบ่โมเห็นจักเพื่อเพื่อนมาเกิดบ่อยๆเป็นทุกลำไปเนี่ยเป็นว่า มันเกิดจากเชื้อเขาเกิดจากทองแมวมันเกิดเชื้อเดียวเท่านั้นแหละอันเชื้อเกิดขในจิตใจเขาเนี่ยมันลอยอันทำอย่างเขาเห็นบอสเมื่อเห็นนีะยเนื่งเห็นตายไปยัางของมาบเบิ้งมาเบิ้งคิดเบิ้งใจตัวเองจากเชื้อนี่นะเบิ้งใจบนอื่นคุณนะฉะนั้นจึงว่าให้เขาพลิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้มีสติควบคุมตัวเอาและมีสติควบคุมกับจิตใจของเขามันคิดขึ้นมาให้เห็นจริงลงไปนี้มีเรียกว่าสัต จับแล้วขวมจริงเอาล่ะที่ได้ว่ามามื่อกี้ก็รู้สึกโครสมควรจริงโคตรสุดแล้วทีแค่นี้ ปฏิบัติธรรมแบบวิธีที่ของกำลังทำรรเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอุปสรรคเป็นบางอย่างที่แรกนะเสือนไว้ให้เข้าใจคือการปฏิบัติธรรมแบบนี้ถ้าหักวินหัวหรือว่าอาจเจียนที่มันคิดไปต่างๆนั่นแหละแต่มันไม่เป็นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นภายในใจ เอาว่าเว่ามันเจ็บหัวเวียนหัวไาเจียอย่งไรเจ็บดจิบมันไม่ได้เป็นเพราะเรื่องเราเลยเขาไปบังคับมันเกินไปเขาพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันเลยไปบังคับคเพราะเพราะทีสองคือมันคิดเราพยอยากให้มันคิดไปบังคับกดมันไว้บดมันคิดมันก็เลยทําพิดให้เขาได้รับผลคือขมทุกนั่นเองที่ว่า ปฏิบัติธรรมะแบบนี้นั่นปฏิบัติซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ุโดยที่บนนึกบ่ฝันบ่คำหนึ่งคำหนวณนมั้งเพียงจะให้รู้สึกตัวทนเองเมื่อรู้สึกตัวรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโลกรู้นามโลกรู้ภุกิังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาทรู้บูรณาจบภาคต้น ที่ผมพูดนี่พูดเรื่องของผมไปปรสะสบมาลูกรวมเป็นของผมเป็นอย่างันคนอื่นนั่นจะเป็นอย่างไรผมกอไม่รู้แต่ผมสามารถที่จะพูดไปอย่างเดียวเท่านี้สิ่งที่ผมรู้ผมเห็นผมเป็นผมมีผมเข้าใจนี่ให้มู้ควังเมื่อรู้บากรู้บุญแล้วเกิดความรู้อันเนื่อขึ้นใหม่เตินลืมตัวแล้วไปติดมมผมรู้ยู่นํำควมรู้ยู่นนมคิดควคิดไป อันนั้นก็ะูกคิดไปอันนี้ก็ผิดเคสไปอย่า ง, งนั้นมันเลยบุรุษเข้าขมาหาตัวคิดลอยเรื่องมันจะเข้ามาหาตัวอย่างมากบวกเกินห้าสิบเรื่องอันนี้ดูเรื่อง ม, มันจะออกไปนอกคนห้าสิบเรื่องบางทีมันจะออกไปถึงหกสิบเจ็ดสิบเรื่องคนมีมันจะอยู่งเหาภายในจักสี่สิบหรือสามสิบเรื่องเท่านั้นมันออกไปข้างนอกเมื่อ พอดีเอามาทำความรู้สึกตัวอย่าไปบังคับไปให้มันคิดมันได้คิดเรายิ่งรู้คนใจของผมคิดอย่าห้ามแต่เอาเพียงผมรู้สึกตัวเท่านั้นให้มันรู้ให้มันรู้สึกตัวนี่ต่ให้มันคิดถ้าแต่ห้ามผมคิดแต่อีกตื้มเม น, นี่ยบนี้มันจะเป็นควมรู้ที่ผิดๆไปรู้แล้วมันลืมจําม่ได้รู้แล้วมันลืมจําไม่มได้ รู้แล้วมันลืมจำจำได้บวเกินสองสามนาทีเท่านั้นบางคนไปบันทึกไว้ในกระดาษกลัวจะมันจะลืมเป็นกิเลสแล้วมันผิดเพีย น, นเพื่นบอให้จดจำอันนี้มันวนิเศษไม่ยาดแน น, นมันเป็นคมลูกของอวิชชาอันี้อวิชชาแต่เราไม่รู้ว่าั น, น, นแต่มันรู้มันรู้ว่าไม่อของจริงมันเก็บมาลูซื้อเ็นอย่างนี้นเป็นคมลูกของอวิชชาไม่คมลูกของวิสาาัญญาณ พรลู้ของวิปัสนาญาณจริงๆนั่นคือรู้เรื uku, igu, Rain, CEOs, ่องรูปนามนี่แหละรู้รูปนามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้รูปโลกนามโลกรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนาโลกพุทธศาสนาโลกบ้านรู้อันนี้เป็นญาณของปัญญาปัญญารู้แทนรู้แล uro, Brew, Chicken, ้วบุญของบุญอื่นส่วนที่มันรู้แล้วคิดคิดแลรู้รู้แล้วคิดคิดแล้วรู้อันนั้นเป็นของรู้พอวิปัสนาอุปกิเลย ที่ผมว่าเอาไซื้อในตาราบ้ไว้หกจักรกันโบ้มีกูบาจารย์ว่าให้ความลุกหนูเรานี่ให้มันรู้ไปเรายิ่งให้จังหวัดทุ่มเทออกไปเหมือนกับน้ําที่เอาขุดน้ำบ่อเอาขุดน้ําบ่อนุขุดบ่อน้ําลงไปเจอน้าน้ำนั้นมันอยู่กับตมกับเลนเราต้องเป็นหน้าที่ที่ขุดลงไปลึกๆแล้วไปตักน้ําปักตมตักเลนเอาไป้อมกัน ตมกระตักน้ํากระตักตักออกให้หมดเมื่อเราตักน้ำตักตมออกไปแล้วน้ําข้างในมันจะไหลออกมาไหลออกมาน้ํานั้นใสบไดถือเขาก็ต้องตักออกถังน้ำเก่าน้าใหม่ขวนปากบ่อน้ำเข้าน้าปากบอนั่นน้ําออกมาจากในรูมันจะมาล้างปากบอนั้นออกมันเป็นเมื่อเทาร่างหลายเชื่อแล้วน้ำเขาค่อยใส่ขึ้นใส่ขึ้นเขาตักออกให้หมด แล้วควรปักบ่อบุคุณเมื่อปักบ่อกวรลงไปพี่บุคุณแล้วก็นนี่อย่างตกจริงนะคนบ่อแล้วก็เห็นเมื่อเป็นอาทีพก็จริงเลยเห็นผมคิดเขาอันมันรู้คิดในบุษย์เห็นผมคิดที่มันรู้คิดซื่อฮอร์เด้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บพอเห็นผมคิดเขาเมื่อเห็นผมคิดเขาแล้วจิตเกิดยานปัญญาอนเป็นยานปัญญาของอิปัตนาคือเห็นวัตถุ รู้วัตถุเห็นปรมาัดรู้ปรมาตัตดเห็นอาการรู้อาการอย่างวัตถุปรมาัดอาการวัตถุนั้นเขาหมายขงกุ้งกั้งมัหมายถึงพวกอย่างกุวงกิ้งต้นไม้ภูเขาเมื่อนองทองบึงก็เป็นวัตถุเงินทองเสื้อผ้าไหนาหัวส่วนกว็เป็นวัตถุเมื่อนางก็เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกบันคิดก็เป็นวัตถุเข <c oughs> าต้องเห็นอยงที่รูอ้อย่างสีเข้าใจอย่างที อันนี้เป็นญาณปัญญาของการพัฒนารู้รู้แล้วก็บรรลงบุรืษปรมัตดหมายถึงสิ่งที่เรากําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีอยู่ขนะเป็นปรมัตดอาการสภาพความเห็นความไม่เห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ด้วย น, นี่ว่าอาการสภาพกรรมฐา น, นเมื่อรู้เห็นวัตถุปรมัดอาการแล้วก็เหตุเข้าใจสัมผัสแนบแนบคือโทสะเเรียกว่าขมโก้ โมหะเรียกว่าขมลงโลภะเรียกว่าขมโลภเห็นรู้เข้าใจเมื่อเห็นรู้เข้าใจอันนี้อันนี้เป็นอารมณ์ของอวิชนาเป็นญาณปัญญาของอวิสนารู้คือคขมรู้สึกนี่แหละมันไปไล่ขวบุรูษนั้นนี่เรียกว่าขมลูกของอวิชชานั้นมันก็นลดน้อยลงไปพอดีลดน้อยแต่อันนี้ก็รู้มาขึ้นเหมือนวิธีบวกกับลบเลือน้ําอยู่ในขวดเหรในแก้วเหรอเมืกินน้า น้ำน้ำม <using one. S 2> ันสกปรกเพราดีหัว antim, <ahh. S 2> แถ na วแถวที่เอาน้ำมากินแต่น้ำนมันสกปรกาเอาน้ำสะอาดหยดลงไปใส่จักหยดหนึ่งหรือสองหยดพอเดินน้ำสะอาดนั้นตกไปใส่ในขวดนั้นควมสกปรกน่ะละลายจางไปไปทางซันเมื่อน้ำนั้นมันจางไปเขาลินน้ำหรือเอาน้ำที่สะอาดนั้นเทลงไปใสในขวดเลยหลาด มันก็ยิ่งจางหลายออกไปเป็นาารเมื่อมันจางออกไปจางออกไปก็เขาก็ารู้เห็นเข้าใจอย่างที่ว่าวัตถุปรามาัตอาการโทรสะโมหโลภานี้มันเป็นผักเป็นผักไปเมื่อเห็นโทสะโมหโลภะชัดเจนดีแล้วเราก็เลยเห็นรู้เข้าใจเพราะอันนั้นมันจางไปแล้วคือเวทคือรูปเป็นรูปอันนี้เขารู้มาจาก ที่แรกคดูดแลคือเมื่อเ่ารููรูปหนามหมดแล้วแต่มันกลับเข้ามารูปอันนี้ตือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาบุตมีทุกจะรูปอันนี้บุตรอมาว่านนเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกเพราะโทสะโมหะโลภจางขายไปแล้วอันอ น, นี้เรียก ว, ว่ารูปสี่บุตเป็นรูปห้าแล้วบุตรอันนี้ไม่ขันห้าอันนี้เป็นขันสี่ คือโบไดเอารูปขันมาวาดรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันบันนี้รูปขันอันเฮาวาเต็มมือทำอีกที่รูปนามที่เมื่อไม่เห็นอันนี้ก็เอาตั้งเวทนาขันไปรูปเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนีิว่าขันที่ขันห้าขันตี่ขันเดียวเนี่ยเฮาวามันมาอันนี้เมื่อเห็นอันนี้รู้จักอันนี้กับรู้สึกว่าเป็นเทวดาได้ เระว่ามีขมละอายในใจอันนี้เป็นปฐมมาสาลที่หลวงพ่อเข้าใจที่แรกหลวงพ่อเข้าใจว่าเราลูกลูกลูหนาั้น เ, นเป็นปฐมมาสามมันเป็นปฐมมาเลิกเสื่ อ, อ น, น, นหลวงพ่อเปรียบเทียบและคล้ายๆคือเขาลำวงเขาทีตั้งกองลำวงขึ้นที่แรกในรอบแรกรอบต้นเขาเริ่นปฐมมาลิกคนไปลำวงไปฟ้อนไปอย่างใ น, นบันนี้มัต้องเสียสตางค์ะเข้าไปฟรี รู้ผีๆอย่างที่ผมว่าให้สังกระรูนตอนที่รู้วัตถุปรมตาตยการโภสะมุหาโลภะ เ, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ต้องมีบัตรต้องเสี่ยเงินค้าผ่านประตูเข้าไปตอนมีพี่อย่างเป็นปฐมสาลอันนั้นเป็นปฐมฤกษ์ื้น ก, ก็เลยเข้าใจอย่างนัมอดีรู้อันนี้แล้วก็จากพักเดียวเท่านั้นเนื้ออึดใจเดียวเท่านั้นก็เลยเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจ นุกิเลตัญหาอุปทานคําอันนี้รู้อันนี้จะเกิดปีติขึ้นมาบัา น, นี้ภูมิใจอันนั้นนันเป็นางานข่มลูกข่ม อ, อันนี้มาเกิดปีติอั น, นียปีติจึงเป็นอุปสรรคเป็นการขัดแมงเนือทําให้เราลาซาทําให้เราบกเก้าหน้าทิวกกาจะได้ปีติเนี่ยตันลาเพื่นว่าปีติภูมอิ่มใจถูกต้องเน่ยเมื่อหลวพอไปปฏิบัติเข้าใจว่าปีติเป็นอุปสรรค ตัปีติด้วยจ้ะให้เราพักพ่อนได้ให้เราภูมิใจในอารมณ์อนันตเข้าใจเนี่ยนี่รู้จักเป็นปฐมสารเป็นทูติยาสารเนเป็นมรรคเป็นผลภายในตัวมันเองหลวงพ่อเข้าใจไหมแต่คนอื่นจะเข้าใจตัางแต่แค่วิบวรู้จักหลวงพอ่พอเข้าใจอย่างติดพอดีเป็นปีติอันนี้ก็ย้าไปติดพอดีมันรู้แล้วก็แล้วไปมันคิดแล้วก็แล้วไปมันจิกเกิลปีติมัจิไปยูกับปีติย้ายมันไปอยู่ แต่มันห้ามบ่ได้ห้ามไม่ได้เขาต้องมาทำควมรู้สึกให้มากมันทําให้เอาแรงแรงจากน้อยเพราะเราจะดึงเอาออกจากปีสีอันนั้นให้มันรู้สึกอันนี้ทำซาซาให้มันเป็นจังหวะเป็นจังหวะไปทําซาได้ดีมากอันนี้ตอนนี้ตอนที่เขารู้รูบน้ำมันมันยักทาไว้แต่ให้มันทาไว้อันนั้นเพราะมันจะไปรูกของผมคิดที่นั่นวาเราให้ฟังเพื่อเตือนจิตสกิดใจเอาไว้ พอดีตอนนี้ทําสาัสสะเหตบัตยนยนนึงให้มันวางลปปกผู้คนสิสัสสะให้มันรู้สึกตัวพอดีรู้สึกมาเข้ามาเข้าปีสีกระจางไปจางไ ป, ไปนี่มไม่เป็นอะไรก็เลยมาเป็นปกติเมื่อเป็นปกติก็เรียกว่าเรามีสิ้มันพอกิเลสย่างเงียบอันนี้มันจางหายไปแล้วสิ้นจึงปรากฏตัวขึ้นมาสิ้นนี่ก็ว่าสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันบุญสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ด ยังเราเรียนมาจากคูบ า, าจานันบูเมนะนั้ น, อ, น, น, นอันนี้สินขันคือรูปขันมีศินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีศินวิญญาณขันมีสินเจีสินเป็นเครื่องกำจกัดกิเลสอย่างหยาบขันกิเลสอย่างหยาบก็คือโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขาร น, นีกับบุตรนกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนังกะเป็นกิเลสอย่างหยาบเข้ามา วันนี้ส่วนปีตินะครับมาทวงเอาไว้อยู่ครับสิ่งเหล่านั้นว่าเจ้าของรูเจ้าของเห็นของเราว่างนะครัได้เห็นสิ่ง น, น, นี้โมเมนต์อธิศินศิกขาอธิกิตาศิกขาอธิปัญาศิกข า, กาตำราวาอย่างสัน้นครูบาอาจารย์คนสอนอยังสัน้นหลวงพ่อก็ได้เหยนมาได้จํามาอย่างสัน้นเมื่อปฏิบัติได้มันบเป็นอย่างสัน้นมันวาวาสิ่งขันที่ขันจึงไปว่าต่อสู้ขันจึงว่ารองรับอืคล้ายคือขันตักน้ํา้องนี้แหละถ้าคันดีไปตักน้ํา ขัดโบแตกนะได้กินเอาไปตักเข้าวใส่บาตรให้เจ้าหัวไอจุ่ยกะนน่ากินน่าสในเอาไปตักอาหารกินกะได้กินเนี่ยขันดีคือรูปขันดีเวทนาขันดีสัญญาขันดีสังขารขันดีวิญญาณขันดีเวิรนถ้าขันแตกได้เวินขันแตกตักน้ากรบโบได้กินมันห้วนหนิมัถ้าขันสกปรกตักเข้าไปใส่บาตให้พระให้เนนกระโบน่ากินกระน่าเริ่มใส่เวิร ถ้าอันแตกจากอาหารกระโโบได้กินมันหัวหนีมั้งอันนี้ก็คือการคือความโบรูนนั่นเองคือไปติดด้วยอันใดอันหนึ่งแล้ลืมตัวอย่าว่าญาตลงตนญาลืมตัวการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ปฏิบัติง่ายๆยืดสากับปฏิบัติแต่ขอให้รู้จริงเท่านั้น่สิเมื่อรู้สิ้นแล้วกับอ ธ, อ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิสิทธิ์สิทธาอธิกิจตาสิกขาอธิปัญญาสิทธาไปว่ารรมมึงกับคกตําเข้าเขา ลูกโกตังแจวเขาเนี่ยพอเทียบเทียบไปมันเป็นเม็ดดิมักเผ็ดมักเขื่อนอากมาตำทะลุงเขาตําเขามันมุ่นเหมือนแหลกมันเขามากองเอาได้ทองเอาเจ้าของสํำคัญนั่นของพวกําคัญกับเป็นแก่เป็นหาไปคล้ายๆคือลงสีเอาข้าเปลือกเขานี่ไปโยนใส่ลงสีไปเข้าลงสีลงสีนั้นจะผัดผัดเอาไปเข้าเปลือกเป็นข้าสารเข้ามาแล้วก็เป็นแก่เป็นข้าวเปียนเป็นอย่างไปบ้านหลวงเขาเรียกข้าวเปียนข้าวหักข้ามุน บัดนี้เขามาปฏิบัติธรรมะทัพหนึ่งขวดนี่พระก็ดีเนนก็ดีแม่ข่าวก็ดีแม่ดำมันก็ดีพขาออกก็ดีให้เป็นข้าวทีนึงเขาอ้วนเขาเต็มถ้าเป็นข้าวทีหนึ่งเขาอ้วนเขาเต็มแปลว่าเขาดีเขาแก่ดีเอาไปเขาลงสีผัดออกมามันก็ะบอกหักก็เออข้าวทีนึงถ้าเขาเม็ดใดโบอ้วนโบเต็มดีนะค่ะเอาไปเขาลงสีหักเครึ่งออกมาเออข้าวทีสอง เมื่อบางคนหักออกมาเขาสามบัน้นสี่บัน้นสามทอนสี่ทอนเป็นแก่เป็นหำไป็เม็ดก็มีผู้ที่เป็นแก่เป็นหำไปนั้นแสดงว่าบุได้ประโยชน์เท่าที่ควรแกบเอาไปเผาท่านก็ได้เอาไปใส่นานผักก็ได้เอาไปใส่ที่เขาไปซกมวยสนามมวยก็ น, นั่งก็ได้อันนั้นแกบกันนั้นบุได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันในหำมัหำนหลบเพรดียวหำทางคนปฏิอยว่าลามก็ได้ เอาไปให้หมู่ให้เป็ดให้ไก่กินคนกินกระไดแขกเล น, น, น้อยหนึ่งถ้าเป็นเขาวหักข้าวมุนเข้าวปลายเนี่ยคะคนกินกระได้แกลกินบ่มีรสพลาดเท่าไดรอันนี้ก็คือกันถ้าห้าขาลู่ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเจือเลิกละอยากข่มซัวข่มซัวทุกประเภทเลิกหลายเมื่อจริงจะเป็นเข้าวทีหนึ่งได้การฝึกหัดดัดแปลงอย่างนี้เจะฝึกหัดตัวเองทําเพื่อตัวเอง เมื่อฝึกหัดตัวเองดัดแปลงตัวเองทําเพื่อตัวเองเนะี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยคอยติดตามมาเพราะทุกคนต้องการควมดีอยู่แล้วเป็นอย่างไรเมื่อเขามาลดตีตีแล้วมั น, นี้ตีตีมาจางไปคลายคลคือวายฟังนั้นเนี่ยออกจากท่อมันท่อมที่มันเมื่ อ, อยอนะ่ยเขาที่ไปใส่มาใส่ต้องใต้ไฟเป็นอย่างไรให้โมไต่ไฟก็ตกบอ่อตกอย่างไรเขาออกจากท่อมมันเลวมาบึง่ง อยู่นอกคือเบื้งปากธรรมเบื้งรูปร่างหลักษณะของธรรมมันเป็นอย่างสั้นเปลียนเขาจิโมจักกิเลสอย่างยาบกิเลสอย่างกลาสมมุติเอาซื้ออันวาเนี่กยกิเลสอย่างกลาก็คือปีตินั่นแหละอันนึงยินดีว่าเจ้าของธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันติดทั้งสัน้นหรือว่าอีกอย่างนึงก็เรื่องสมถะกรรมฐานธรรมของสงบแต่ผู้อื่นนั้นจะเป็นสัตว์ไหนบูมจักผมบ่ได้ว่าผู้นั้นผูนีความสงบแบบบูรูนั้น เรียกว่าเป็นปีติยินดีในความสงบอ น, นันต์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมโยวปฏิบัติแบบนี้บุษราจีให้มันสงบได้ให้มันรู้สึกตัวอยู่เสมอเคลื่อนไหวอยู่เสมอมันความสงบนั่นมันเป็นผลผลได้สตือเพราะว่าเขาเคลื่อนเขาไหวเขาพลิกเฮงตี ง, งตัวพลิกมือง่ายมือทิพตาอ้าปะหาใจเข้าหาใจออก ก็มเงยเอียงใจเอียงขวางรู้สึกอยู่สิปัญญามันเกิดขึ้นเพื่อว่าคนจะล่วงผู้ไปได้เพราะปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วอสิมันเป็นผนพอได้คือความสงบมันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากที่เลสสงบจากปัญหาสงบจากอุปาทานสงบจากกรรมสงบจากปีติอันนั้นเพราะการเห็นแจ้งอันนี้เนี่ยมันเป็น เรี่มันมีอุปสรรคยังาอาศัยผู้ที่เคยสํานานมาก่อนหรืออาศัยคนที่รู้นั่นแหละมาระยะนี้มันเป็นยังซีมาระยะนี้มันเป็นยังซีเพราะผู้ที่รู้นั่นตำนิํานามันนี้เรียกว่าเป็นทุติยสารไป่อย่างสันที่ผมรู้ยึ่งปฐมสารทุติยสารเข้าใจอย่งสันแต่คนอื่นจีเข้าใจบุเข้าใจนั้นเทพ บ, บุเข้าใจยึ่งผมกล้ายืนยันรับรองคําพูด ของพระพุทธเจ้าหรือตำหนักตําดาเป็นบางส่วนบางตอนถ้าหากเอาเห็นเอารู้เข้าใจแล้วมันรู้เองเห็นเองเข้าใจเองมันเป็นอย่างไรบันนี้เจตุทศสารเหมือ น, นี่เจตุทศสารแปลว่างานรวบรวมอืมตัดติญาาาญาสารปฐมสารทุติญสารปัติญญาสารมันอยู่งทั้งปวงคือว่าปฐมสารกับทุติยสารที่อย่างพวามันตอนนี้มันเป็นตัติญญาสารนมันเป็นเจตุทศสารเข้ามาแล้วงานรวบรวมเข้ามา เมือเดิเข้ามาจะไม่เห็นสภาพการทําดีทําซั่วทําผิดทําทุกข์ยิ่งเ้าจักอันนี้พอดีเข้าจักอันนี้แล้วก็เป็นปัญจมาสารพร้อมดุลของห้าคืองานของรูปงานของเวทนางานของสัญญางานของสังขารงานของวิญญาณ น, นี้ที่มารวมกันเขาเป็นอันเดียวกันจึงเป็นปัญจมาสารขึ้นมาตัดสินลงไปถูกต้องเยาว่าจิตสะอาด จิตใจนี่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคลองใสจิตใจว่องไวสามารถที่จะมองเห็นอันใดอยู่ในตัวเฮานี้ไม่เห็นตักไปใสปอดผู้นี้สามารถที่จะเห็นจิตใจเฮามันนึกมันคิดมันคิดดีมันคิดซัวมันคิดจันใดเฮาจะเห็นจีรู้จะเข้าใจทั้งหมดจืมว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าดำมีอยู่ในคนทุกคนบริเวณ เมื่อทำอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้รู้ย่างอื่นบทถูกต้องเมื่อเห็นรู้เขาจะเนี่ยค่ะรู้สภาพภาวะอาการเกิดดับที่อย่างผมว่าเมื่อแรงวานินเมื่ออาการเกิดดับตัวนี้มันขาดสูตรมันออกจากกันทั้งหมดให้คลายคคือว่าเอาน้ำมันกาดกับน้ำมันเบนซินกับซางน้ำมันอย่างนั้นแล้วไปทอกใส่แกเ้วเอาน้ำทาเขาถอกใส่กับน้ำมันมันจะยู่งคนละส่วนกันเลดแต่มันก็ยุ่กับน้ำหันได้แต่หามันเป็นคนละมุมกันโลด น้ำท่ากับน้ำมันจึงเข้ากันบุไดเห่าเห็นอยู่อนั้นมันทอกใส่ในน้ามันก็อยู่เทงที่ผมมันจ้งหาน้ํามันน้ําท่ากับอยู่ใต้ผมมันจางหามันบวกเข้ากันได้มันเป็นอย่างสัน้นจิงว่าพระพุทธเจ้านตัดผมครั้งเดียวพระพเจ้ารู้ดีแต่เหานั้นก็ต้องค่อยๆรู้ไป่เป็นเมื่ Не อเหาเห็นสภาพนี่เหาจะรู้จักสภาพหรือภาวะขางที่ตายนี่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างสั้นมันต้องเป็นอย่างที่ หัวาจักวิธีตายทันทีแต่ทุกคนก็ต้องมานี้มีจากนี้ไปบวได้เพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเนี้ยคนเกิดมาในโลกได้บวตายบวชวิจักขุนอันนี้เรียกว่าสัจจะแห่บเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปบวได้ถึงจะมีผู้รู้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่บวมีผู้รู้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เชิงว่าเพิ่งว่าวายว่ า, วาหากมีพระธรรมวินัยอยู่และมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ มรรคผลนิพานบาวางจากโลกนี้นะบาวางจากโลกผบไม่าวางจากดินฟ้าอากาศอันนี้เนะี่าวบวชจากผู้ปฏิบัติท่านนี้เรียรู้จากมรรคผลนิพานโลกถ้าหากว่าพิกษุหรืออุบาสกอุปสิกาอยู่โดยสอบแล้วพระอนหาหันก็จะบาวางจากโลกนี้นะพเพราะว่าเขาเห็นความคิดคุณนะี่ยพระอนหาหันนี้บมไม่เห็นตัดใส่ใส่ปอดบมเป็นเหานั่งอยู่ที่นี่เห็นคน มูลเล็กลอตเรียกอยู่ขรุงเทพคุณสลัก